กัลยาณมิตตาความมีเพื่อนอนิยงาโสวจัตตาความมันพัวง่ายส้งง่ายริงกรณีเสุทกตตาความขยันเอาใจใส่ในกิจรของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตามสติกำลังธรรมการมตาความรักใครในธรรมที่ชอบวิทยเพียนเพื่อจร ะ, ะความชั่วประพฤติความดี สันโดดยินดีด้วยพานุ่งผ้าห่มอาหารที่นอนที่นั่งและยาตามมีตามได้ข้อเกสติจำการที่ทำและคำที่พูดแล้วแม่นานได้สิบปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไรนี่คือนะะาถกนณะธรรมธรรมที่พึ่งของตนมีสิบอย่างอย่างพิสดาร สติจำการที่ทำและคำที่พูดแล้วแม่นานได้สติก็เป็นที่พึ่งของตนถ้าจะรักษาก็าจงให้มีสติรักษาพระเพียองค์หนึ่งพระภาวนาอยู่ในภูเขาเทวดาจำแรงตนมาเฝ้าองค์ท่านท่านอยู่องค์เดียว ท่านก็ตอบเทวดาว่ายามานักษาเราก็ได้เชิญไปอยู่ตามสบายซะเรามีสติอยู่ดอกเราไม่หลงสติเรามีสติอยู่ดอ ก, เ, เ, อดอกเทวดาองค์ันบอกเทวดาไปไม่ต้องมาเฝ้าดอกเรามีสติอยู่ดอกช่ยวยเสีงให้เห็นว่า สติเป็นหลักของการพิจารณาเหตุฉะนั้นจึงมีกรรมฐานแต่และอย่างละอย่างจึงมีสติตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกตั้งสติพิจารณากายตั้งพิจพตั้งสติพิจารณาเวทนาตั้งสติพิ จ, จารณาสัญญามีสติพิจารณาเรียกว่ามหาสติประธานเสียง พุทธานุสติธรรมานุสติสั้งอนุสติสิบอนุสติสิบก็คือให้มีสติในสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งอะอนุสติสิบคืออารมณ์ระลึกควรระลึกสิบประการพุทธานุสติธรรมาสังกาชีรากาคาเทวดาโอปสมะเราจะขตาม่นานอนาประมาตานุสติไม่นาสติมีสติสติสติสติอยู่ทุกตรมฐานออื ไปอยู่กัาหลบปู่มันต้องขัดสติมั่นกันฟ้าตุ่มโองตุ่มน้าถ้าหากว่ามันใช่น้าหมดแลนะ้วมันยังอยู่ครึ่งหนึ่งถ้าเราไปวางอย่างนี้ปุ๊บปุบ๊เลยตุ่มอย่างนี้ไม่ได้หรือเปลืองฝางอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ค่อยวางอย่างนี้่เวะเวลาจะลุกขึ้น เวลาจะจับเพื่อนเราจะแบบนี้<ม>เวลาจะเอาของให้หลวงปู่มั่นหรืออะไรอะไรอย่างนี้ล้วจะจ ะ, จะสบาานหลวงปูงม่มั่น่ะจ้องในสติก็ไม่สติเหมื อ, มอนกันว่าใส่้องเมืออะไงนี้ออกจากนี<ม>้จะเอาของให้ท่านก็เหมือนกันแล้วของให้ท่านก็เอาอย่างนี้ีเหมือนไานขายว่าอย่างนี้เงื่อนไรอย่างนี้<ม> เราจะเอาของอย่างนี้ให้ท่านแล้วเอาอะไอย่างนี้ทีนี้เมื่อวา่าท่านจับแล้วแล้วก็ค่อยวางแล้วก็ค่อยล้างครับทีนี่เมื่อเวลาเราจะไปแยกงเอาของกับมือท่านเเราจะขอท่านมาทําเวลาสมมติว่าท่านมีงานอะไรทําค้อนตีตะปูหรืออะไรอย่างนี้เพงเพง่งเพง่เพงอย่างนี้แล้วก็ ก, ấy, ก็จะเอาดอกก็ก็ขอโอกาสเอาจับนี้ จับไต่เมื่อของท่านแล้ค่อยเดินมาถ้าท่านกาแน่นอย่าไปดึงเนะ้อถ้าท่านกําแน่นขือนดึงบุกเลยถ้าท่านเห็นเรารเคารพดีๆเราดึงมาอย่างนี้ค่อยเดินอย่างนี้ว่าทํำวางแบบทนวางต้องไปดึงอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีสติอยู่กับหลวงปู่มากสติเหมือนกันนับของกับท่านกเหมือนกัน นัาของถ้าเป็นกาเป็นกาอย่างนี้เราก็จับงวงอย่างนี้ีแเราไปจับนี่ไม่รู้ว่าจะให้ท่านจับที่ไหนนี่จับนี่เอาอะไรให้ท่านก็เหมือนกันอเราจะให้ผลท่านไม่ได้ถ้าเอาอะไรให้เราก็เหมือนกันแล้ก็ชชวยอย่างนี้ก็ไม่ถูกกาลันตะกาลอน กาไม่ได้เอาให้ท่านมี่สมมติราคาเคยให้เราสิ่งนี้ที่เป็นงวงเท่ท่านจะไม่ง่ายเอาให้ท่านสิ่งนี้ที่มันหนักเกินกําลังของท่านเราก็ไม่ให้ท่านอผู้เอาให้ก็ต้องต้ององมีปัญญาเองเหมือนกันสิ่งไหนที่มันหนักเกินกําลังเราก็มาให้ท่านถ้าเป็นการนําร้อนไม่เคยเอาการนําร้อนให้ท่านเนอกเป็นแต่เพียงดินดินให้ท่านเท่านั้นดินแล้วก็พินทั้งหูไป เลี้ยงแล้วก็ผินทั้งหูไปเลยพิน <laughs> ท <VIE> ั้งหูผินทั้งที่จับไปไม่อยากจะไปหลอกให้ท่านจับของร้อน <laughs> นะมันเข้าใจมันกันเนี่ยตัวนูรู้ตัวเล็กคุณหนูเอาขอให้ผู้ใหญ่ต้องเอาให้อย่างนี้้ะคุณหนูเนี่ยนี่จริงแล้วนี่เดี๋ยวถ้าไม่มีปฏิบัติมันก็สูญหายไปหมดคําว่าปฏิบัติมันก็ปฏิบัติหมดทุกอย่างมันมีในนักปฏิบัติเทานของเรานี่เดี๋ยอื่นไม่มีหรอก มันมีพระสนใจทางปฏิบัติอยู่ทุกวันนี่มันจึงพอดูได้เนู่ถ้าชนะมันก็เลเอดเถอะกันไปหมดนะถ้าอารั ญ, ญาวาสียังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงคีดด้วยอรั ญ, ญาวาสีพ่นาดลงขามาวาสีจะดูได้เลย เราก็เหมือนหมดหม้วยสุดสิ้นสกูลพุทธใครรานใครลุกล่าวพระพุทธศาสนากรรมของท่านโูนั่นเลนะจะตามไปถึงไม่มีที่สุดสิ้นทุกวันนี้สารพัด เขาจะวัดเลียงพระพุทธศาสนาแต่ก็ไปไม่รอดเนล็พันประกาดกควา้างปลาใส่ภูเขาหยิบ ม, มาอะไรมันก็ไม่รอดดอกเดี๋ยวบ้วนน้ำลอยขึ้นฟ้าเพาะทางเตโรการมันก็ไม่ถึงนะเดี๋ยวก็ตกใส่หน้าของใครก็มาลนะน่ะ ความฟ้าคว้นใส่ต้นเสานักวยเอกก็ลบไม่ทันใช่ไหมนั่น เ, เชื่อร้อยเปอรเซ็นเลยเนี่ยเฉพาพระพุทธศาสนานี่ยเพรเป็นพระพุทธศาสน า, าใจถ้าหากว่าพระพุทธศาสน า, าอยู่กับคนอื่นก็เป็นาศาสนาหนึ่งอยู่กับตัวของใครของมันแล้วก็มีอิสระที่จะปฏิบัติได้ น, นั่นเนี่ยคาว่าตัวไม้ตามสมมุติคือตัวใจถ้ามัสมมุติก็ไม่รู้จักเครื่องหมายอะไร จะปริตอย่างไรสมมติแสงเดียวก็ไม่สูกประจิตอย่างไรสมดติแสงเดียวนั่นเป็นกิรลสละเอียดนะส่วนสมมุติบางสมมุติว่าเราว่าเขาว่าสาระบุคคลยอดตัวตนเราเขานี่เองสมมติถ้าไม่สมมติอย่างนั้นก็ไม่มีการปฏิบัติถ้ามันพอแล้วเราจะปราบสมมุติมันก็ไม่คัดข้องเราจะปรารบลบสมุติมันก็ไม่คัดข้องเหมือนผู้ที่ชนานาญเขียนชนานาญลบนั่นเอง เขียนแตกรานดาเสียงข็เขียนเป็นลบ ก, ก็ต้องลบเป็นหนึ่งพดที่ทํางเนี่ยเข้าประตูมันก็ออกเป็นมันมันหายใจเข้าเป็นมันก็ต้องหายใจออกเป็นอันนี้มันเป็นซัางขันหยาบเนี่ยเมื่อโลกโกรธลงมัน ม, มีประมาณอั น, นไม่โลกไม่โกรธไม่หลงก็ไม่มีประมาณ เมื่อทำายเกิดฝ่ไฟดับไม่มีประมาณทำายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่มีประมาณเหมือนกันถ้าจะย่นลงมาก็ย่นลงมาเป็นอันหนึ่งถ้าย่นทำายเกิดฝ่ไฟดับลงมาเป็นหนึ่งก็ย่นทำายไม่เกิดไม่ดับลงมาเป็นหนึ่งถ้าศีลสมาธิปัญญากระจายอยู่ออกไปแล้วทีนี้เราย่นศีลสมาธิปัญญาลงมาเป็นหนึ่งซักนะ เมื่อเราเมื่อเราขยายได้ได้เราพยนต์ได้เหมือนกันพ็เชือกเส้นเดียวเราขึงไปยาวเหยียดทั่วทั้งใจโลกระท่เมื่อเราจะเอามาแล้วก็สาวเข้ามาสาวเข้ามากองไม่นั่นกองไว้ที่ดวงใจดวงจิตนั่นมันก็อันเดียวกันถ้าลงอันหนึ่งมันก็ลงลงหมดถ้าไม่ลงอันนี้มันก็ไม่หลงหมดถ้าลงดินมันก็ลงน้ํำมันก็หลงไฟมันก็หลงลมเหมือนกันถ้าไม่ลงดินลงน้ําไฟลงมันก็ไม่ลงกันถ้าไม่ลงตาหูจมูกลิ้นมันก็ไม่ลงเหมือนกัน กายมันก็ไม่หลงเหมือนกันถ้าไม่หลงดินน้ําไฟลมมันก็ไม่หลงเหมือนกันถ้ารู้เท่าเดินก็รู้เท่าน้ารู้เท่าไฟเท่าลมเหมือนกันถ้ารู้เท่าอาดีตก็รู้เท่าอนาคตรู้เท่าปัจจุบันเหมือนกันเหตุฉะนัะ้นฉันจึงบอกว่าความรู้ดุจ ด, ดวงตาทิพย์ทิพยประจกุยานอาสวัคทยยานแปลว่าความรู้รอบ ในใจโลกธาตุเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่เขาคณะกิจหนึ่งมีแต่สังขารทำก็มีสังขารที่ทำมันก็เห็นทั่วทั้งไปโรกธาตุด้วยเห็นทั้งนอกโลกด้วยเห็นตั้งท่ายเกิดฝ่ายดับด้วยเห็นตั้งทำไฟไม่เกิดไม่ดับด้วย าจากนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะสิ้นความสงสัยเพราะจะทำให้ความสงสัยจะคองสิ้นไปเมื่อความสงสัยจะคองสิ้นไปแล้วมันจะกะบ ột เกนมาจากประตูไหนทีนี้มันก็ไม่ขบ ột เกนมาเพราะมันสิ้นไปเป็นตตอนแล้วสิ้นความสงสัยตอนชั้นพรันตอนสักกาคามีตอนอนณาคามีตอนพระหานความสงสัยสิ้นเชิงไปแล้ว ความชินความสงสัยในตอนมระโสดาวันคือชิ่นความสงสัยในศาสตาไม่สงสัยในพระพุทธศาสนาก็ตั้งดําเนินไปตามพระพุทธศาสนาไม่สงสัยว่าจะเลือกศาสตาอื่นไม่สงสัยว่าจะเป็นทางอื่นมีทางเดียวทางนี้หนทางเส้นนี้เราเข้าต้นทางแล้วเราเข้าต้นทางแล้วทางจิตทางกายทางสติปัญญาเราไม่สงสัยว่าจะไปเดินทางอื่นแล้วก็เดินยังไม่ถึงแต่ยังไม่ถึง สวนพระสวรระัสดิ่ w สวนพระสวสดิพระจะเดินอยู่ต้นทา่ทาสักท่ า, าคามีก็เดินอยู่ที่นี่อนาคามีก็เดินอยู่ที่นี่เดินอยู่ที่นี่เดินเดินอยู่ที่กลางเนี่ยพระรหันต์ก็เดินมาเนี่ยขึ้นเขึ้นฝัน่งเลยจะไม่คืนนะคืนมาอีกด้วยไม่สงสัยจะคืนมาอีกด้วยเช่นนําลายเทบ้วนออกจากปากแล้วไม่สงสัยว่าจะไปค้นหามา เขาไปมาอีกด้วยและไม่เป็นของนักด้วยพูดถึงสุภจร ป, ปโนก็เปิดประตูพันพราดเบื้องต้นแล้วไม่สงสัยว่าจะล่วงละเมิดศีลห้าและไม่เฉยดดยด้วยและไม่เฉยดดยอยากล่วงละเมิดอบัยมุขด้วยทำไมถึงไม่เฉยไดย้ พระเมีปัญญาเห็นดิ่งลงว่ามันเป็นทางชิบผายถอนไม่ออกแล้วมันจึงไม่สงสัยจะล่วงละเมิดเสีนหาของมันกันเพราะเห็นว่ามันเป็นทางชิบหายตรงๆเป็นทางไปสู่ความไม่จเจริญเพราะมันเห็นดิ่งเนี่ยมันถอนไม่ออกเห็นดิ่งไปทาง ชอบมันก็ถอนไม่ออกเข้นดิ่งไปทางผิดมันก็ถอนไม่ออกเหมือนกันเหตุฉะนั้นพระุรมศารีราจึงสอนให้เห็นเองเป็นสันทิฏฐิโกเราหน้าเสีนี่นะบาากุศลทวนบุญกุศลทวนบุญบ่พ่อก่ ขา่ามัลกม่ได้เพราะกุศลพ้นวยมันเป็นเหื่อเป็นเหื่ออยู่ที่คิดที่ใจเ่านันมาทรงเสริมมันจะข่าวไม่ได้กุศลพ้นบุนพ่อหน้าข่ามได้นะขาด่ขามคว่องหลงได้ข่ามคลองลงมาท่านใดกุศลพ้นบุนมาท่านพ่อกนะ็ต้องสางเองหรือพ้นบุนพ่อแล้าข่ามคว่องลงแล้วกับบ่อนลงอีกและเขา่าโซกันในพานบ่ได้มาลงแก่หลงแก่ต้องตายเอ เกิดมาสร้างบารมีนี้สงสารมีท่านวัดศีลวัดภาวนาวัดวัดเวียงหัวใจวัดขอวัดภายในคือหัวใจวัดภายนอกคือเสนาคณะซีอูวัดภายในคือคิดคือใจมีท่านวัดศีลวัดภาวนาวัดเป็นตนมีพระพุทธธรรมประสง์เป็นหัวหน้าอยู่ใจ เป็นชิดที่มีคู่เอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นคู่เป็นลูกที่ไม่พ่อมีแม่เป็นชิดที่ไม่คู่ผู้ใดถึงพระ พ, พ, พ, พุทธธรรมพระสงฆ์ผู้นั้นเป็นชิดที่ไม่คู่คู่เฮาเป็นคู่ประเสริฐพระพุทธธรรมพระสงฆ์เฮาน่อมมาส่งลูกที่หัวใจเฮาทุกขโทษแปลว่าอยู่กับใจละบาบ บ, บําเพ็ญบุญทำหม้อส่องไหวส้สิงระบาบบําเพ็ญบุญ จังโกะแปลว่าปฏิบัติลาบาบําเพ็ญบุญทาตุละไมบุญสาเร็จด้วยการบริจาคทานทีจักเขาในี่ยธาตุละไมสีลมัยบุญสาเร็จด้วยการรักษาศีนภาวนาไมบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาอภิจายะละไมบุญสําเร็จด้วยการบําเพ็ทนแกผู้ใหญ่วียวัจจะไม้บุญสำเร็จด้วยกา ร, ราาาากเกี่ยคนกวยในกิจที่ชอบปฏิทานละไ ม, ะมบุญสาเร็จด้วยการให้ส่วนบุญทาบุญแลว้วอุทิศขา พอ่อแพี่น้องปูญญาตายง่ายผู้คนหลุมหายตายไปสู้วารโลกภายในพิจิตรพี่ไก่อุทิศฐ า, า, านเราจะอาปฏิท่าหน้าไม้เป็นบุญอันที่นหนึ่งปัตตานโมธนามับุญเฉลียด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญเมื่อทําบุญแล้วเราก็อนุโมทนาด้วยคิดด้วยใจด้วยมีเครื่องวัตถุเป็นพยานกระบอกไปยังเียปัทานโมทนามัยบุญเฉลี่ยด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ ธรรมะสอนไม่บุญทํามเด็ดด้วยการฟังธรรมธรรมเทศนาไม่บุญธรรมด็ดด้วยการแสดงธรรมการแสดงธรรมละส่วนธรรมดีก็จับเป็นการแสดงธรรมคือเฮาสอนลูกสอนเต่าของเฮาหาย <c oughs> เป็นผู้ไหายเป็นผู้ละส่วนธรรมดีวันนีจัดเป็นการแสดงธรรมมด ธรรมะหาอย่างชีวิตในทางที่สอบมุนจัดเป็นการแสดงท่ามัดมือมห้โดนเด่นบกเรียนเบีเยเดินบัดเด่นบือ่อมุนจัดเป็นการแสดงท่ามัดเป็นบุญมัดทิูกชุกรรมการทําความเห็นให้ตรงการทําความเห็นให้กลงครื่อห ม, มายความมาเห็นว่าบาปมีบุญเมื่เห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของบุญเลิศประเรสริฐีกว่าศาสนาในไรทั้งปวง เป็นผูษษ้กระเสริฐกว่าศาสนาอื่นๆ mm hmm. เดียกว่าเห็นตงรงเห็นว่ามรรคผลเนี่ยผ่านมิ่งบาปมิ่บุญมีคุณพอคุณแมีมิ่งทำดีจะดีทำช่วยจะช่วยจะได้หัวใจทำดีก็ไมนหัวใจนะดีทำช่วยก็มันหัวใจนะชั ว, ว, นะวดินฝาอากาศว่าจะไม่ดีไมาชัวน้าเป็นบุญก็เป็นบุญเขายกหัวใจดินฝาอากาศว่าจะไม่ยากเอาบุญเอาบาปน้า กาเฮ็ดบาปก็เฮ็ดแท่งหัวใจเฮ็ดบุญก็เฮ็ดแท่งหัวใจเฮ็ด่งสันจึงเอาคนบ่าวใเสียชนิตผิดมนุษย์จึงจงจักเหลื่ยมใสให้นับถือว่าพุทธศาสนาคนบ่าบเสียชิตพิดมนุษย์โบหูวจักเหลื่ยมไส้ในพุทธศาสนาแล้วพระธจดาก็สอนบ่าวใก็เลยตามคำของเขาหนอแล้วก็อยู่หันตะก้อนฝากไว้กับพระธจ้าพระธจดาองค์หนาเชินองค์นี้เทศว่าเขาใจ ตามกรรมของสัดกรรมโอนิหน้าวัตติโรกูและทั้งหลายเป็นไปตามกรรมของัดทังายผู้เกิดมาตระกูลําบางตระกูลชูงบางเป็นคนลูกสวยบางเป็นคนลูกรอบางเป็นคนลูกขีเลบางหรือเป็นคนอายุยืนบางอายุสั้นบางเป็นคนรวยบางเป็นคนจนบางเพราะเหตุไดก็เพราะเหตุกรรมและผลของกรรมที่รัดทา้งหลายสร้างไว้บนุ้ทธิมาสาง พระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจของรัฐทงางอาณาักวางไว้พระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนพระพุเจ้าองค์อุกกาลฟังสั่งสอนม้าองค์นี้ก็มาสอนอกีกนื้อนอนก็นอนเองเนื้อน้ำก็ดื่มเองเนื้อข้าวกรับทานเองแล้วทัศทาก็เป็นแต่เพียงบอกเทนั้นจะทําแทนไม่ได้โอ้เจ้ผู้อื่นเขาบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สั่งเมื่อ บาปบุญพระองค์เก่าเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าของพวกคุณทั้งหลายนั่นเองสร้างขึ้นของพวกลูกหลานนั่นเองสร้างขึ้นที่ดวงใจผลรับก็รับอยู่ที่ดวงใจผลสร้างก็สร้างอยู่ที่ดวง ใ, ใจวิจัยเป็นผู้รู้จักอื่นอื่นไม่รู้จักเข้าใจ ต, ตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจทําดีไว้เป็นที่พึ่งของใจทําช่วยเป็นที่เบียดเบียนของใจเธอทั้งหลายจงทําดีเถิด เมื่อได้รับชั่วมาแล้วเธอทั้งหลายอย่าไปติเตียนคนอื่นเพราะใจเป็นผู้สร้างขึ้นจงติเตียนใจนั้นถ้าทําดีใน้ผลดีก็ต้องหายคะแนนที่ดีใจของเธอทั้งหลายนั่นเองถ้าทําชั่วก็ต้องจงติเตียนใจของพวกเธอนั่นเองธรรมลมศาสตร์สอนลงมาเนี่ยสอนลงมาใจของเราเอพระทธธรรมพรงฆ์ไปหาอย่างอื่นก็บอ หมหาที่อื่นก็ยิ่งตื่นไม่พบหมหาที่ดวงใจถึงจะเห็นวกก่พาพุทธประธรรมประสงค์ถ้าเราเริ่มใสในพุทธประธรรมประสงค์พระพกุทธประธรรมประสงค์ก็อยู่ที่ใจถ้าเราไม่เริ่มใสในพุทธประธรรมประสงค์พระ พ, พุทธประธรรมประสงค์ก็ไม่อยู่ที่ดวงใจไล่ผีก็ต้องไล่ออกจากกายไความขี้เกียจขี้ข้านก็ไล่ออกจากกายไความโง่ต้องไล่ออกจากจากกายฉลาดก็ใจเป็นผู้ฉลาดมีสติปัญญา โง่เข้าใจเป็นผโง่ข้ามทะเลหลงได้ก็ข้ามฟากข้ามโลกได้โลกก็คือใจใจก็คือโลกโลกที่มีกิเลสใจที่มีกิเลสใจที่ไม่มีกิเลสใจที่คัดสีอยู่มีทานวัดศีวัตภาวนาวัดคัดสีใจก็ไม่ค่อยเศร้ามองถ้าใจห่างเหินจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากทานศีลภาวนาแล้วใจก็เศร้ามองสึ่งอื่นเศร้ามองไม่เป็นปัญหา ใจสมองเของสําคัญมากเึีงอื่นต่ําก็ไม่เป็นปัญหา จ, จิตใจต่ําไปในทางที่ชั่วเป็นปัญหาเึีงอื่นสูงก็ไม่มีปัญหาจิตใจสูงไปทางดีก็จึงมีปัญหาสาาําคัญสูงต่ํารุ่มรอนก็คือจิตใจเึีงอื่นสูงต่ำรุ่มรอนไม่เป็นปัญหาจิตใจสูงขึ้นในทางดีเป็นของที่นักปราชญ์ทรงสรเสริญ สูงขึ้นในทางชั่วท่านไม่เรียกว่าสูงท่านเรียกว่าต่ําลงซะเรามาท่องเที่ยวในวะัดตา ท, าทงศาลไม่ใช่ว่ามาท่องเที่ยวเล่นเฉยๆมาท่องเที่ยวเพื่อใ ช, ช้นี่ใส้ศีลใช้ศีลของตอนที่เคยได้โลคปวดหลงมาที่เราเคยมาท่องเที่ยวในวะัดตา ท, าทงศาลนี้ พยายามไม่มาอีกจะพยายามลดน้อยลงจะพยายามลดแอร์ออกจากโลกด้วยธนวัตรศีรวัตรภาวนาวัตรเพื่อจะเข้าถึงวัดพระเนพานพระเนพานเป็นมโนวัดที่ไม่เกิดไม่เกิไม่เกิดไม่ตายเป็นธรรมวัดที่ไม่เกิดไม่เกิไม่เกิดไม่ตายไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นผู้เป็นคน เป็นธรรมันล้วนเป็นธรรมันที่ไม่มาเกิดมาแกิมาเกิดมะตานส่วนโลกมันเป็นบุคธาธิฐานมันมีวัตถุนิยมพระนิพพานไม่ใช่วัตถุนิยมมีอุดมคติล้วนๆโลกโกดหลวงเมธะไดอันเปโโลกบปโกดเ่หลงกับเมธะนันมืดเมธะไนสว่างกับเมธะนันงูเมธะไ น, น ข้อมฉลาดกระตองเมธเท่านั้นมืดเมเทไนสว่างกระตองเมธเท่านัน้นเอามืดนาเอาสว่างมากแก่มืดนอกจาเอาค้อมฉลาดไปแ ก, ก, ก่ขวอมงอข้อมเหาที่ดวงใจแ ก, ก, ก้ของแ ก, ก่กันที่ดวงใจขันว่าแก่กับเดียวว่าพรแก่ที่ดวงใแก่เพื่ออื่นแก่แกว่าถือเก่าว่าถือวันทักขั้นไป ไปเกากระน่วงมาบ้ า, วานวันต่อไปนี้ก็อะไรเนาะพวกเรานไปหาผักเนาะไปมาเป็นชุกเป็นจุ ก, กนั่นไปจุกเป็นจุกะนะข้ า, าขงพุทธการก็มี ดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูงก็ตูงเต็มภูมิดอกเสมือนน้ำก็เสมือนน้ำเต็มภูมิดอกใต้น้ําก็ใต้น้าเต็มภูมิดอกบัวแต่และก่อล้วก็เปรียบเหมือนคนในโลกแต่และดอกเปรียบเหมือนคนแต่ละบุคคลอยู่ในโลกมีอยู่ทุกยุคทุ ก, ทกสมัยทุกการทุกเวลาไม่ลงธรรมะเลยพระพุทธเจ้าไม่รู้ทํำท ำ, ทำมีไหมก็ทําก็ ม, ม, ม, มีอยู่ มาพระพุทธเจ้าไม่รู้ทำทั้งหลายมีอยู่พระเป็นธรรมอันเก่าเอสะธโมชนันโตพระธรรมเป็นของเก่าทำไปฝ่ายทางผิดก็เป็นของเก่าไม่ฝ่ายทางถูกก็เป็นของเก่าสุราเมีระยะอย่างนี้เขาก็กินมาแต่พัด แ, แต่ไหนแต่ไรออพุทธิเวนก็เวียนมาแต่ไดๆอีกเหมือนกันความดีก็ดีมาทุกยุคทุกสมัย ความชั่วก็ขัดกันมาทุกยุคทุกสมัยเมื่อเสว่างก็มีมาอยู่ทุกยทุกสมยัยประชาธิปไตยใครก็อ้างได้แม่แรงวันมันก็บอกว่าประชาธนปไตทายของมันแม่แรงผู้แม่แรงพึ่งมันก็บอกว่าประชาธิปไตทายของมันมันก็บอกว่าคนหมูมากลากไปแม่แรงวันมันก็บอกว่าคนหมูมากลากไปชั้นของไครของมันแต่ผู้ใจสูงก็ เลือกเอาสูงผู้ใจอยู่ในระดับใดก็เรื่อมใสในระดับนั้นผู้ใจสูงก็เรื่อมใสในระดับสูงผู้ใจขนาดกลางก็เรื่อมใสในขนาดกลางผู้ใจอยู่ในระดับต่ำก็เรื่อมใสในระดับต่ำแต่ว่าพุทธศาสนาบัญญัติ ถ, ถูกนอกจากพุทธศาสนาบัญญัติไม่ไม่ถูกสิ่งที่เป็นบาปบัญญัติว่าเป็นบุญก็มี เช่นการฆ่าสัตว์ไปสวรรค์มัอนกันสิ่งที่เป็นบาปแท้ๆอยากว่ารบรรดาว่าเป็นบุญมันก็คัดต่อพระพุทธศาสนาเรามาพิจารณาดูดูผู้ที่เขาถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญนั้นเขาไปได้ไหม น, น, นั่นแต่ก็เจิงงันแล้วใช่ไหมนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ควรคิด จะมมีต่ำยมมีสูงตามคุณมุตโตวายวุตโตวิดาก็มีเป็นวิดาเต็มภูมิมานาก็เป็นมานาเต็มภูมิจะไปเรียกว่าเสียวว่าสหายเตะตูดก็ไม่ได้ครูว่าอาจารย์ก็เป็นครูทีนี้เงินใบละห้ารอยบาทจะมาตีเสมอใบละบาทมันก็ไม่ถูกเพราะคุณค่าของมันมันมีอยู่ในตัวแล้ว เม็เหินเม็ดทรายน้ำหนักเท่ากันจะปฏิค่าเหมือนทองคำไม้เสมนและผักกันมันก็ไม่ได้ฉะนั้นจึงมีสูงมีต่ำตามคุณวุฒิคุณวุฒโทวัยวุฒโทจะข้ามไม่ได้คําสอนใดนในใจโลกธาเป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉะนั้น นหน้าห้อยหนองกองเมืองบางต่างๆอะไรลงสู่หมหาสมุรสมสทรเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไหลลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นทีนี้พระพุทธน้าห้อยหนองของเมืองบางต่างๆก็ไม่โอหังมังคโลว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถือตนถือตัวอะไรความจริงไม่นี้จากความจริงชั้นใดก็ดีพระพุทธศาสน า, าก็ไม่ไม่ได้ถือตัวว่าจึิงอื่นเป็นเมืองขึ้นของเราแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้น บุญทั้งหลายไหลขึ้นสู่บุญร่วมพระนิพพานหมดคุณมิดามนาปู้ยาทาทวคุณท่านผู้มีคุณไหลขึ้นสู่คุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณพระพระธรรมพระสงฆ์ปรวมคิวกันที่พระนิพพานนะพุทธแท่ธมแท่สง แ, แท่คือพระนิพพานทีนี้พระพุทธศาสนาเอาไปกินแล้ว ทำเป็นโลกบาลคือคุ้มครองโลกสองอย่างหนึ่งเฮริความละอายแก่ใจสองโอตปะหนึ่งเฮริความละอายต่อบาปสองโอตปะความกลัวต่อบาปทำสองประการนี้เป็นคําคุ้มครองโลกถ้าโลกไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎไม้กดหมูกดพักกดพวกก็ตั้งไม่อยู่ อูของทำไม่นำคำหนึง่งก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทำความชั่วไม่ได้ในที่แก้งเข้าไปทำในที่รับนั่นพะพุทธศาสตร์นเอาไปกินแล้วนะเอา้าเพียงเส้นห้านระถ้าชาวโลกมีเส้นห้าบริบูรณ์สงครามจะมีมาจากประตูไหนนั่นไม่มีเลยทหารตารวจก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้องมี มองดูหน้ากันก็เป็นมิตรเป็นสหายและก็ไม่มีสดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างมีมิตรมีสหายทั่วทั้งใจโรการักชีวิตเรายัางไงก็รักชีวิตเขาอย่างนั้นเพียงศีลห้าเท่านั้นสงบแล้วตจโลก่าตอารมนุษย์ทั้งหลา ย, ยานั้นอย่างพึงภัยอ ง, งาอาจเลยทัมบุรุษศาสตรสอน พระพุทธศาสนาเป็นการบ้านเป็นการเมืองเป็นการเทวโลกเป็นการมนุษย์โลกเป็นการเทวโลกเป็นการสวรรคโลกเป็นการพรหมโลกเป็นการพระนิพพานอีกด้วยว่าสอนแต่ต้นจนอมิสารสอนแต่ตกอจนถึงตัวหอจนถึงสะกุลกันดังที่เราเคยเรียนมานัเองนั่นคําสอน ใ, นใดในไทยโลกธาตุจะเสมือนเหมือนคําสอนในพพุทธศาสนาไม่มีดอก เพราะท่านเป็นผู้บัญญัติพระธรรมวินัยท่านเป็นผู้ไม่มีกิเลสถ้าพระองค์ไม่บัญญัติทัดทรทำมีไหมถ้าทําให้มีอยู่ก่อนพระบระมาศาสาดาวเไม่สามารถจะรู้ทําได้เหตุฉะนั้นท่านจึงเคารพทำยกข้าหอนสาธิบุตรเอ๋ยมกุกคลาเอ๋ยวันนี้พวกเรามาเล่นอบายมุกกันมาเล่นการพดานเอาบาดกันเถิดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ไปบินทบาทละนะ เหตุะนั้นพระบรมศาสตร์ได้จึงเขารบทำถูกไหมนนในพระไทตรปิดกบอกว่าวมยามัจกรสองจำพวกวมยามัจกรจำพวกหนึทำตัวเป็นนายพระนายเนน พวกนี้ต้องไปนรกวิยาวัจกรจะพวกหนึ่งทำตัวเป็นลูกศิษย์พระลูกศิษย์นนพวกนี้ไปสวรรค์ใครเป็นผู้เอาออกมาหนังสือสองค้อก็ปิ่นมุทุกันออกเอาออกมาจากพระไตรปิฎกหมายเล็กไว้แต่เราไม่ได้เขียนไว้ในสมัยสองพันห้าร้อยเราไปอ่านพบปิ่นมุทุกันเอาออกมาบอกหน้าบอก เรียไว้แต่เราไม่ได้เขียนไว้จะมีในแพระไตจพี่ดกทีนี้มีปัญหาสอดเข้ามาว่าถ้าหากว่าฆราวาสไม่ยอมเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ยอมปฏิบัติเป็นศาสนาประธรรมพกของพระพุทธศาสนาแล้วจะให้ผีตัวไหนมายอมนั่นปัญหาของมันอย่างนั้นทีนี้เรื่องสมณภพราหมณ์ ที่สอนที่สั่งสอนกุณบุตรที่จะทำต่อพระพุทธสาสนาก็มีอยู่มีอยู่ห้าข้อพระบรมศาสดาสอนไว้แล้วหนึ่งด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยมโนกรรม คือคิดอะไรอะไรประกอบไม่เมตตา 4. ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนข้อหด้วยให้อามิตสถานสมณะพราหมณ์ได้รับบำรุงชนีแล้วย่อมอนุเคราะห์คุลบรด้วยสถานห 1. หนึ่งห้ามากระทําความชัว่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสอนุเคราะห์ด้วยนำใจอันงาม 4. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหาที่สิ่งทสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่ พกบอกทางสอนให้พระพุทธศาสนาสอนว่าอย่างนั้นทีนี้ในระหว่างผัวกับเมียพระบรมศาสนาก็สอนเลยมีการบ้านต้องๆอะไรเนี่ยสวนพิชลุสัมภารมันผ่านมาแล้วหนึ่งด้วยย่อกล้องนับถือว่าเป็นภรรยาสองด้วยไม่ดูหมิน่นสามด้วยไม่ประพฤติร่วงใจสีด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัวภรรยาได้รับบำรุงชะนีแล้ว ยอมอนุเคราะห์สามีรวถานห้าหนึ่งจัดการงานดีสองสองเคราะห์คนข้างเชียงของผัวดีสามไม่ประพฤติล่วงใจผัวจึงความกว้างาเลยสี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้ข้อห้าขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งบวงนั่งถ่วยกับพระหล่างพระเขาเขาปเทศว่เป็นเอาแล้วบ่ น, นอนผัวเขาบวปสอนเป็นเอา หัวมันไปเรียนสาวซะหน่ิหัวไปเรียนสาวแล้วพันเมี่ยบเครียดให้หัวกรขัว่เงินได้กับพุ่นขืนจะตึกสูงๆมันไปเรียนไผ่ําเขาโยนเฮ็ดประสดแค่ผัวเนั่งยึดหมายเขาแต่ตัวละหนิแม่นบอกนั่นพระพุทธเจ้าบอกดีเลยเนี่บอกสอนดีวัดจ้ะน่มีวันแซงเลยพระพุทธเจ้าสอนการคบเม็ดพระพุทธเจ้าก็สอน ผู้เป็นหัวหนา้าพระพุทธเจ้าก็สอนนัตถิพารานัตถิพาราปรินายากาคนผ่านไม่ใช่คนหัวหน้าเน้อปัญธิตาปรินายากาบันทิตเท่านั้นจะเป็นคนหัวหน้านั่นสอนได้มดสิ่งที่ไม่สอนไม่มีเหตุฉะนั้นจึงว่าสัทั่งสัพยา น, นาันนังเกวราปริปุนังปริสุทธังภามชริยังประกาศเสสิ วเดบูรณ์ทั้งอัฏฐ์ทั้งพยัญชนะแล้วตามห้างพระกัณฑ์ตังโพธิย า, ามีตามมหาพระกันฑ์ตังเสราสารนาามีข้าพเจ้าจึงนิยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบไหว้ด้วยความตื่นข่าวยินดีในรัติใดๆล้นล้านขณะกิจก็ไม่เท่ายินดีในศาสนาพุทธขณะกิจเดียวพระพบรมศาสดาพูดเข้าข้างตัวหรือไม่ได้พูดเข้าข้างตัว ไม่ได้มีชั้นทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติชั้นทาคติพรารักใคร่คนใดก็ต้องอุณเอียงมาหาคนนั้นเรียกว่าชั้นทาคติโทสาคติเมื่อไม่ชอบคนไหนก็ไม่ก็ก็ลําเอียงกับคนนั้นเรียกว่าโทสาคติโมหาคติที่เพราะความเข่าไม่รู้เท่าถึงการในเรื่องนั้นๆครบเรื่องนั้นนั้นไม่แต่ ที่พยาคติถ้าเราจะทำให้เป็นธรรมก็เกรงอำนาจวาสนาเกรงจะพิจใจคนคนนั้นก็เลยเป็นพยาคติเพราะกลัวกลัวจะเป็นภัยแก่ตนอคติสี่ประการนี่ไม่ควรประพฤติเนอะพระบรมชาติลาพวกเราชาวโลกชาวโลกทั้งหลาย ังกฎหมายกฎหมูกดฟักกดพวกไม่มองดูคำสอนพระพุทธศาสนาแล้วชาวโลกก็ไปไม่รอดอนรมานอนว ย, ย, ยหิวโหยท่านป ร, รมาจารยศาสนาสอนหมดแล้วคารวสก็สอนหมดแล้วสมณเนพิฆสุสมณี น, นผ่านมาแล้วอบา ย, ยมุขทุกประเภทพิฆสุสมณีนผ่านมาแล้วไเป็นหน้าที่ที่จะ มันเป็นหน้าที่ที่จะไปร่วงละเมิดคือเ <c oughs> ซอร ม, มาเปกซ์โมัเดนผ่านมาแล้วไม่เป็นหน้าที่จะไปร่วงละเมิดคือซมมามัเดนทีนี้พระพุทธศาสานาเกี่ยวกับป่าอย่างไรว่าง <c oughs> พระบรมศาสานาเกิดที่ป่าลุมพินีวัน ในระหว่างกึ่งกลางแห่งนครทั้งสองเทวทหะในตะเข็บของเทวทหะและกรุงกบิลพัทเพราะประสงค์จะไปเยี่ยมมารดาบิดาที่นี่ระสูตที่ตำบลพุทธคยาตัชรุที่ป่าอิสีพัตนะมิกธายาวันมิกธาแปลว่าเนื้อแขวงเมืองพาราณสี ทีนี่แสดงดยะแสดงธรรมจักรป้ายสีพัฒนาพิฆาตายวันแขวงเมืองพารานสีทีนี้ก็ตรงอายุสังขารที่เวลวันสวนไม้ไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารที่ทรงถวายเป็นที่อยู่แห่งกระเตดรจปรินิพานชิ้นลมปราณ ที่เมืองกุชินาราทางทิศตะวันออกเมืองกุชินาราสารวโนทยานป่าไมา้นางรังบัญญัตศึกขาบทก็บัญญัติอยู่ในป่าเป็นส่วนมากวิปัสสิตบัญญัติอยู่ที่ภูเขาคิจกูดที่นี่วัดแต่ก่อน เป็นวัดป่าทั้งนั้นที่นี่บ้านรามออกมาหาก็กลายเป็นวัดบ้านเป็นคา ม, มาวาสีอรัญญาวาสีกลายเป็นคา ม, มาวาสีป่าเชกตะวันมหาวิหารไกลจากเมืองสาวัียี่สิบห้าเส้นที่ กระเป๋าเดียวของอนาถาปินฑิกาเศรษฐีถวายสี่สิบห้าโกดสี่ิบห้าโกดนั่นเป็นเงินจริงจริงไม่ใช่ธนบัตรเมื่อเรา1ิบล้านจึงเป็นโกดอสิบไปคูณสี่ิบห้าดูสิจะเป็นกี่ล้านสิบห้าห้าสิบิบสี่สี่สิบเป็นสี่สิบห้า 450้อยห้าสิบล้านกระเป๋าเดียว <Yeah. S 1> จะว่าข้างพุทธการไม่พัฒนาไม่ถูกพัฒนาทั้งจิตใจด้วยทั้งวัตถุนิยมด้วยทั้งอารมณ์คติด้วยที่นี่วัดของนาำวิสาขาสร้างถวายที่เมืองสาวัตถีนั่นอยู่ในทางทิศตะวันออกอยู่ในทางอยู่ทางที่ อ, อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ นี่วัดวัดสาวัตถีวัดสาวัต ถ, ถีอยู่เมืองเออยู่ที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองสาวัตถีเมืองป่าเชตตะวันนางวิสาขาอยู่ทางทิศตะนตกเฉียงเหนือของเมืองสาวัตถีฮะมดชิปเก้าโกดนางวิสาขาคนเดียวชิปเก้าโกดจะมีสิร่าชิปเก้าเก้าสิบชิปหนึ่งมันชิปเป็นชิปเก้าเก้าชิปล้านใช่ไหมนั่นกระเป๋าเดียวอะไร นิโครารามป่าไม้นิโคตที่เมืองกบบินรพัทน์สร้างถวายที่นี่เมืองที่ภูเขาภูเขาที่เขาสร้างถวายพระเมรขยะไปอยู่ในพระไตเปรกมีมากมายหลายรุนในข้างพุทธการถ้าตัดป่าออกแล้ว พระไตรพิต ก, ก็ไม่ครบบวชก็บวชไม่ได้นี่ปัญหาอันนี้น่าน่าควรคิดเนี่ยปัญหาเนี่ถ้าตัดป่าออกแล้วพระไตรพิต ก, ก็ไม่ครบบวชก็บวชไม่ได้พอบวชมาแล้วก็บอกว่าอนันเยลุกามูเรวาให้แสวงหาที่พักในเวกที่ป่า ตันเตยาวาชีวังตลอดชีวิตเนอะบอกอย่างนั้นบวชมาแล้วบอกอนุาสาปปัจจัยเครื่องอาศัยของมันประเชษเครื่องนิดใสมีสียางเที่ยวบินท้าบาทหนึ่งนุ่งห่มผ้าบังสกุลหนึ่งอยู่โคนต้นไม้หนึ่งชั้นยาดองโดยน้าหมด น, น้าหนึ่งนี่ปานิโคทาลามเป็นป่าทั้งนั้น่ะ ในพระต่ายพปิดกแต่แเรเลี่ยมไรเลี่ยมมีทั้งมีแต่ป่าทั้งนั้นแหะพระวินัยก็มีแต่ป่าทั้งนั้นะให้อาศัยป่าแต่ว่าให้มีขอบเขตทีนี้ถ้าจะตัดไม่ให้พระอยู่ในป่าเสียเลยขาดตัวอย่างนี้มันก็เท่ากับว่าล่มพระพุทธศาสนาเลยเออถ้าทำอย่างนี้จะดีให้อยู่ แต่ไม่ให้สร้างวัดขึ้นเพราะมันมากแล้วอยู่ซะอยา่าเพราะป่าบ้านเมืองของเราครับแคบมาแล้วจะพากันไปสร้างวัดอีกที่สร้างพอแล้วพาให้แล้วกันไปซะที่มีวิสุงขามที่มาเนะีให้แล้วไปซะส่วนที่ยังเป็นเถื่อนอยู่นั่นก็รอเสียก่อนอันนี้เหมาะอยู่เพราะบ้านเมืองของเราครับแคบแล้วอันนี้เหมาะอยู่จะไม่ให้อาศัยป่าไม่ได้ต้องอาศัยแต่อย่ายาไปทําลาย อันนี้พอฟังอยู่อันนี้ทนานเรามาคิดดูดูแต่ก่อนรัชกาลที่หกแต่ก่อนรัชกาลที่หกมีพลเมืองสิบสี่ล้านแต่เดี๋ยวนี้มีพลเมืองเกือบหกสิบล้านแล้วเราจะให้ที่ดินและป่าไม้และทุ่งนาอยู่เสมอเก่ามันก็ไม่ไหวเสียแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอั น, นจยาเอ๋ย ถ้าประเทศไทยไม่มีวัดมากจะให้ประเทศผีตัวไหนมีวัดมากเพราะเพราะพุทธศาสนามันอยู่ในประเทศไทยถูกไหมนั่นก็ต้องพิจารณาบ้างนะทีนี้เนาสงวนที่ดินละทุกวันนี่แต่ว่าพวกประเทศอื่นเขามีเงินมากเขาก็มาซื้อเอาได้อยู่นี่นี่นขอ้อนี้ปัญหามัน สถานนอื่นเขาเอามาที่มาเขาเข้ามาเอาที่ดินประเทศไทยเราอขโขอขโขอขโขอขโขอโถ้าเราจะตั้งกฎหมายห้ามก็ตั้งไม่ได้ใช่ไห ม, มนี่แหละปัญหาก็น้าควรคิดอีกเหมือนกันอืแต่ว่านี่มันได้วิสุขขงรามชื่อมาแล้วมีวิสุขขงรามชื่อมาแล้วเพราะมันมันสร้างขึ้นก่อนป่าสงวนอืสร้างขึ้นก่อนป่าสงวน อภิษานนี่จะทมีเกตอย่างทำไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นคำเป็นไปเพราะความเจริญฝ่ายเดียวนี่อภิษฐานนี่จะทำมีเกตอย่างหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดสองมาประชุมกันก็พ่อเพียงมาประชุมเมื่อแล้วกประชุมก็พ่อเพียงก็เลิกและวพ่อเพียงเกี่ยวกันทำกิจที่สงจะต้องทำไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามาบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาอยู่นี้ศึกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ พิกษุ้เล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือพิกษู้นั้นเที่ยวฟังธรามของท่านข้อห้า 5, ไม่ลุกอำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นข้อหกยินดีในเสนาชนะป่าเกียรตตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนพิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่มาสุาวรรณเขาให้มาที่มาแล้วเขาให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขทำเกีรติอย่างนี้มีอยู่ในท่านผู้ใดท่านผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริ่นฝ่ายเดียวนะมีในอภิธานิยธรรมเหมือนกันอ่า ทุกเล่มพระไตรปิฎกทุกๆเล่มเมื่อป่าทั้งนั้นถึงเนี่ยถ้าเราจะตัดออกแล้วมันก็ไม่ถูกก็เรียกว่าล่มพระพุทธศาสนาตึงเลยนั่นเยก็มันไงบ่จะโมงกลัวบ่พูดให้ยังให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แกม เนี่ยภาคกานเอาไปคืดซอยกันโมห่ห้องภาคการนอาคืดซอยกันมหม่ห้องยืมตามอิสระยืห้อยใส่ห้องง่อยตามอิสระคนที่อยากเที่นนังกราอยากขี่รถเนี่ยรถต้นดับล่าคาน้ห ม, มูใค้ยาตสมุิเป็นลูกค้าที่ถานสมุิเป็นธรรมาที่านยานตัวด้วยถึงสิง่งพวกกระทำประสงค์อยู่ทุ่งาพวกมีธรรมะเนี่ย สาม่าถอกศรูปในพานเราผลทุกนวัตตาสองสามโยทุกเมือวัดตาแปเอาความหมุนเวียนแหงความลงคลองเฮาส่วนความลงคลองเฮาว่ามี่ความห ม, มุนเวียนกขาบว่ามีความลงคองเฮามันหมุนมันเวียนอยู่ในวัตตาสองสามนาวัตตาสองสามที่มาร่วมโยแล้วก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหมุนเวียนอยู่ น, นี่เครื่องศิสย์รั ละหลบละโกรละหลงพระองค์เจเ้าห้องกระบอกไหวเลยเพราะเนี้ยนี่ท่านวัดศีรวัดพระวานาวัดซึ่งวัดจิตวัดใจของข้าวให้เขายุ่ในหฮวงนั่นเดี๋ยวเขาอยู่ในห่วงขับสอน พ, สพระพุทธธรมสงฆ์พระพุทธศาสน า, า, า, า, า, า, าได้ในใจโกทานศาสนาสักกลศาสนาได้ในใจโกทานมันบทตรพุทธศาสนาข้าดอก โรคไก่เขาเป็นโรคขีสาารณไม่ว่าโรค ก, กุศลสาธารณเหตุไหนจึงวายจังสรรเพราะผูิตุนบัญญัติเป็นโลกขีทั้งนั้นเป็นโลค ก, กุตลสาธาสณาแ้่พระสามานพระพุทธเจ้าทิ้งเดียวศาสนารณอื่นๆเป็นโรคขีสาธาแต่ว่าดีอยู่ทั้งดนส่วนดีน้อยดีร้ายน่ะถ้าจะพูดตามธรรมาะที่พรไตรกสุภพุทธาศาสนาบ้ได้ไม่ได้พูดเขาคลางตัว ผู้เขาขงมมางธรรมะที่พระไตรพูดกระตมดิ้งของมันไม่ได้พูดโผนเอียงของดีเข้าไปว่าของสัวมันก็เรียกว่าโมหะคติเพราะว่าลูกบอลลูเท่าสงครามเลยนําเ อ, อียงเพราะความเขาเรียกโมหะคติเข้าใช้ไปว่าญานติใจผู้อื่นผู้เขานับถือก็เดียกวกพญาคติเพราะกลัวเข้าว่าโดยคว่ำหัก ก็เรียกว่าช awesome. eh. <ety> ันทาคติขันท้าเอาเรื่องข่มขี่หึงข่วมปวดข้นเครียดก็เรียกว่าฉั้นทะเรียกว่าโทษสาคติลำเอียงเพราะความไม่ชอบกันนลำเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกชั้นทาคติลำเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทษสาคติลำเอียงเพราะความเข่าเรียกโมหคติลำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติแล้วคติสประการนี้มันควระพึ่งพระพุทมันสามสิลสอนไว้ในธรรมดทส คำสอนในดๆในไทยโลกธาตุจะเสมอเหมือนคำสอนพระพุทศาสนาไม่มีหลอกไม่พูดอีกก็จริงอีกแต่บคุคคลผู้ที่จับกลุ่มจะพวกกันด้วยความําเอียงหมูมากก็ลากไปแม่วัด น, นั่นก็นลากไปกินหมูกินขว ด, ดแม่คูัวแม่เพลิงมันก็ลากไปกินเยลโนดอกไม้ต่างคนต่างหลากองใครของมันจะว่ายจยางนัน้น ก็เอาแต่ปัญญาของไปของมันเลยอ่ะมันพอมีอิสระเด้่อิสระการถือพระพุทธศาสนาของหม้าเข้ามีอิสระหมดเข้าจะถืออันไหก็ได้แต่ว่าอิสระของเข้าน่ะมันอยู่ขนาดใดเข้ากับวดเพราเข้าองกันดอกบัวมันมีก็มีอยู่ซีเราดอกบัวใจน้ําดอกบัวซีเรามีประจําโลกอยู่ทุกๆทุกสมัย ดอกอยู่ใต้น้ำดอกเสมอน้าดอกเป็นตูมดอกบ้านเ้าจะเป็นดอกบัวชนิดใดดอกบัวมีสี่ชนิดแต่ไม้วามว่าไม่กอ น, นั่นละ่ะมีสี่ชนิดกอ น, นั่นไมคั้วามาคนอยู่ในโลกแต่ละดอกไม้วามวมาแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลแต่ละดอก ผู้ใดไม่ควบเห็นในสันใดก็ยืนยันตัวว่าถือด้สันนั่นว่าพวกสันสูงก็ยืนยันให้สันสูงว่าถือสันสูงพวกสันกลางก็ยืนยันว่าถือสันกลางแล้วถือคู่คนคือพระพุทธเจ้าน่ะมันดีสําหรับเธอแต่ไม่ดีสําหรับนักป่ามองข้าบุรุษโมอข้าบุรุษพระพุทธเจ้าวายวายพาสุทินเธอไปทําไม่ดีไม่ได้ กับพรรยาของเธอมันก็ดีสําหรับเธอนั่นเองแต่มันไม่ดีสําหรับนักป่าโกงอันคำที่เขาพูดมั้ยครับผู้ถือศาสนาอื่นมันดีวะมันก็ดีสําหรับขเจาะถือว่าไงผู้ถือศาสนาพุทธมันดีวะดีสําหรับพวกพุทธถือว่าอย่งไรสักชั้นดีน่อยดีมากนั่นแหละตาไผ่ตาไผ่พี่พี่ชนเอา ศาสนะสอนภัยสอนจิตสอนใจเห่าเนี่ยเมื่อไหนสอนผู้อื่นเพราะผู้เป็นเจ้าเจ็บเพราะพู้เป็นเจ้าใจเห่านี่เธอทําดีทําชั่วก็มีอิสระทั้งดีทั้งชั่วก็มีสทั้ชั่วก็มีอิสระทั้งชั่วก็มีอิสระทั้งดีเราจะทาคตเป็นเพียงบอกเธอทั้งหลายจะทําแทนเธอทั้งหลายไม่ได้วาง่ะ หิยวนอนก็ต้องนอนเองหิ้วน้ำก็ดื่มเองเราจะทำแทนเธอพวกเธอทั้งหลายไม่ได้เป็นเพียงบอกเท่า น, นั้นท่ำท่ำมีอยู่สองอย่างโลกเยียท่ำโรคอุตราท่ำ โลคุรธรรมมีมีที่ไหนก็มีในโลคุณะมีในพระพุทธศาสนาะเท่านั้นเหลือตางนั้นไม่มีเลยโลกุณโลกุณธรรมก็มีโลกิยธรรมทางนั้นเลพรมาจจันเบื้องต้นของพุทธศาสนาะก็หมายถึงพระสุปฏิปโนเป็นต้นไปหนักมีขอบเขตสุปฏิปโนก็คือบันทิตรวคารมาวสาสังนั่นเองบันทิตเป็นผู้ครองเรือน บันทิตในที่นี้หมายถึงสุบุญภจปนูนัตถิภร า, าปรินายกาคนผ่านไปแค่คนหัวหน้าเนื้อบันทิตตาปินายกกาบันทิตจึงเป็นคนหัวหน้าพ่อบ้านแม่บ้านก็ดีพ่ออำเภอพ่อตำบลพ่อจังหวัดพ่อหมู่บ้านในหว่างครอบครัวก็ดี ในระหว่างหัวหน้าวัดก็ดีหัวหน้าโรงเรียนก็ดีก็ต้องเป็นบัณทิตผู้เป็นหัวหน้าบรรทิตโวขรมาวะสังบัรทิตเป็นผู้ครองเรือนก็บัรทิตเป็นผู้ครองพระพุทธศาสนาเหมือนกันธรรมศาสนาทังฆศาสร์ศาสนาเหมือนกันบัรทิตเป็นผู้ครองเรือนก็หมายเอาแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปพระโสดาบันเป็นโลกุตระบัรทิตเน้อไม่ใช่โลกีเน้อมีเช่นห้าบดีบูร์เน้อไม่เสียดายอยากลวงละเมิดอบายยมุกเน้อนั่นมี่ขอบเขตอย่างนั้น่พระพุทธศาสนา ไม่เสียดายอยากจะสาแช่งใครโน่นั่นไม่เสียดายอยากค้าขายเครื่องปะหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นอะไรเรื่อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหาเน่ยค้าขายน้ำมอไม่ค้าขายยาพิษนี่มีขอบเ็ตอย่างนั้นการค้าขายของพระโสดาบันการค้าขายของบัญชิตทางพุทธศาสนามีความหมายอย่างนั้นอบายยมวุฒิทุกประเภทไม่เสียดายอางร่วงละเมิดนั่นบรัญชิตทางพุทธศาสนาเนี่ยแต่ในโลกเนี่ยมันจะมีจี้านล้านก็ตามจะมีกี่คนก็ตาม ก็ขึ้นอยู่ครับธรรมะแจะละลายความมุคคลเราไม่สามารถจะรู้ได้ใครก็ต้องรู้เอาตนเองเอาเรามีการเบียดเบียนท่านผู้อื่นไหมเขาทําผิดกับเราเรามีการจะเบียดเบียนตอบแทนเขาไหมถ้าเรายังจะตอบแทนเขาไม่เหลี่ยมหนึ่งก็เหลี่ยมหนึ่งเขาเรียกว่าไม่ใช่สุบเิตปนสชุบเจตปนูชุบเจตปนมีความโกรธอยู่แต่เทราะว่าไม่ผูกเองมึงเถอะ พูจะแก้แค้นมึงไม่มีอมืถ้าหากว่าเคยได้ทําำคำชั่วับเขามาแต่พวกก่อนก็ให้เล่ากันไปซะเราจะไม่ตอบดอกแต่เราโกรธอยู่ว่ให้เล่ากันไปสะถ้าเขามากว่าใหม่ก็ให้เล่ากันไปสักเราจะไม่ตอบเขาดอกนั่นแหละภูมิรสวดาบันมีสินห้าบริวูรณ์ไม่ใช่ครับเจ๊ด้ยอยากลวงละเมิดสินห้าสิน้า ก, กัญยาณธรรมห้าก็กมีความหมายอันเดียวกันถ้าไม่มีสินห้ากัญญาณธรรมหา้าก็ไม่มี ถ้ามีกนะัญญาณทำห้า 5, ชิ้นห้าก็ไม่มีถ้ามีทั้งสองอย่างนี้อันใดอันหนึ่งก็มีหมดถ้ามีชิ้นห้าบริบูรณ์ก็เป็นพระสวฆดาบันได้ถ้าชินห้าไม่บริบูรณ์ก็เป็นไม่ได้สิ่งอื่นเป็นไปเองถือว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นนิจจวัตเลยเหตุไหนจึงถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นนิจจวัตอยู่ในใจเรื่องได้ไม่ได้ก็ดีเพราะเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาสั่งสอนเหนือใครในโลกทั้งปวงแล้ว ไม่มีศาสตาอื่นจะเทียมถึงได้จึงทรงพระนามว่ารัตถาเทวมนุษสานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพีงเลยไม่แม่ขั้นข้ามเลยเพระบรมศาสต า, าโลกะเวทูเป็นผู้โลแจ้งโลกอนุตตราโรเป็นผู้เยี่ยมละพุทธิศาธรรมสารถิฝึกตนเหมือนนายสาร ถ, ถีฝึกมาแล้กวก็ฝึกผู้อื่นได้รัตถาเทวมนุษสานัง เป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้ตื่นออกจากกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะแล้วพระคาเป็นผู้มีโชคพระคะก็แปลว่าเป็นผู้มีโชคพระคาเป็นผู้มีโชคหรือเป็นผู้จำแนกทำจำแนกทำจำแนกทานจำแนกศีลจำแนกภาวนาออกทำเบื้องกลางเบื้องต้นทำเบืองต้นเบื้องกลางเบื้องท้ายทำบืองท้ายคืออะไร ทำเบืองใต้เวไนยเบื้องใต้ก็คือพระนารหันต์ทำเบื้องต้นค네ือก็คือพระสวสดาบาลทำเบื้องกลางก็คือสักธาคามีอนาคามีทำเบื้องใตก็คือทำพระนรหันต์ศีลสมาธิปัญญาก็อันเดียวกันมัตเตยิกัรยาณังทำเบื้องต้นคือศีลทำเบื้องกลางคือสมาธิทำเบื้องใตยก็คือปัญญาก็มีความหมายอันเดียวกันศีลพระสวสดาบาลศีลของพระสัคธาคามีศีลของพระอนาคามีศีลของพระนารหันต์มียิ่งยอนกว่ากัน สมาธิของปัทวาดาบันสมาธิของสัคตาคามีสมาธิของพระอนาคามีสมาธิของพระอรหันต์มียิงย่งยนยนกว่ากันสมาธิของพระพัะเจกสมาธิของพระธมรมท้าพทธเจ้าหรือปัญญาก็ดีหรือเสียงก็ดีก็ต่างกันไปเป็นลำดับพระมีคุณค่าต่างกันพระมียานมมยธรรมยศปัญญาต่างกันแระดีค่าเสมอกันก็ไม่ได้ก็มีกําลัง น, อน้อยกําลังมากกว่ากันแต่อยู่ในชั้นเดียวเกิดกันคือชั้นพน้นคือชั้นโลโกุตระ เช่นพวกเราสอบได้ปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกกเหมือนกันความประพฤติก็ต่างกันและความรู้ก็แตกฉานต่างกันอีกด้วยแต่ชั้นเดียวกันอยู่ทุกวันนี้เราเริ่มใส่พระพุทธศาสนาขนาดไหนท่านผู้อื่นเริ่มใส่พระพุทธศาสนาขนาดไหนเราเชื่อพระพุทธศา ส, น า, สนาขนาดไหนเราก็จะได้เห็นเราในคราวนี้ นี้นก็จะได้เห็นท่านผู้อื่นนนข่าวนี้ที่ข่าวบ้านเมืองเป็นจราจนสมัยเองเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเป็นจราจนสมัยเนาะต่างคขก็ต่างแข่งรัดทีกันประชันคัดแข่งกันโจมตีกันอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดมันก็มีมาอยู่ทุกยุคทุกสมัยในขั้งพุทการก็มีอยู่เหมือนกันในขั้งนี้มันก็มีอยู่ทุกขัง้งประจําโลกอยู่แต่ผลชุดท้ายพระพุทธศาสนา ย, ยึดเอาไปแล้วอันไหนมันดีพระพุทธศาสนา ย, ยึดเอาไปแล้ว คื อ, อยังไงคือทาเป็นโรกบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาบความกลัวต่อบาบเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้